สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอิงกลิชเราวอยู่อ่อการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบ FM ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิเกรเฮิร์สคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันสนุกหน้าจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่สามสิบเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการของเรา น, ะคะนำเคล็ดลบับการใช้ภาษากรีดมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ สำหรับเรื่องแรกของวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องของสิ่งบันเทิงต่างๆค่ะสิ่งบันเทิงนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า entertainment entertainment นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการพูดคุยกันนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องบันเทิงต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะเราอาจจะพูดคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตนะคะอย่างเช่นอาจจะอยากจะถามว่าเออตอนนี้ที่นั่นเนี่ยมีคอนเสิร์ตใช่ไหมนะคะเราจะแต่งประโยคว่า Are there any concerts? Are there any concerts? ก็คือที่นั่นเนี่ยมีคอนเสิร์ตใช่ไหมค่ะถ้าเราอยากจะรู้นะคะว่า เธอเนี่ยอยากจะไปดูหนังด้วยกันไหมนะคะอยากจะไปดูหนังหรือเปลา่าเราก็จะถามว่า Do you want to go to the movies? Do you want to go to the movies? นะคะคือคุณเนี่ยอยากที่จะไปดูหนังไหมค่ะตรงนี้นะคะเราใช้กริยาช่วยในการถามนะคะก็คือ do นี่เองค่ะกริยา do นะคะเป็นการถามแบบ present simple tense นั่นเองนะคะ ค่ะต่อมานะคะอาจจะคุยกันเรื่องบันเทิงอย่างเช่นเรื่องการไปดูภาพยนตร์นะคะอย่างเช่นอาจจะถามเพื่อนนะคะว่าคุณเนี่ยเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือยังนะคะเคยเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามว่า Have you seen this movie Have you seen this movie นะคะความหมายก็คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือยังนะคะประโยคนี้นะคะก็จะใช้คำถามนะคะเป็นแบบ present perfect นะคะคือใช้ Have had ขึ้นต้นประโยคนะคะตามด้วยประธานแล้วก็ verb ช่องที่สามนะคะ Have you seen this movie ก็คือคุณเนี่ยเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือยังคะคำถามต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับ entertainment นะคะหรือความบันเทิงที่เราอาจจะถามได้นะคะ Is there a movie theater nearby? Is there a movie theater nearby? คำถามนี้นะคะเราอยากจะทราบว่ามีโรงภาพยนตร์แถวแถวนี้หรือเปล่านะคะ is there นะคะเป็นคำถามค่ะก็คือมีไหมค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นวลีเฉยๆนะคะเป็นประโยคบอกเล่าเราก็จะใช้ there is นั่นเองค่ะ is there นะคะตามด้วยคำนามเอกพจน์นะคะที่มีอันเดียวค่ะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็น is there a movie theater นั่นเองนั้นค่ะ ค่ะต่อมานะคะคำถามเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะการบันเทิงอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะพูดเรื่องเพลงได้นะคะถามนะคะถามเพื่อนว่า what kind of music do you like what kind of music do you like ชอบเพลงแนวไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันเทิง ค, ค่ะเราอยากจะทราบเรื่องของเวลานะคะที่ภาพยนตร์เริ่มฉายเนี่ยเราจะถามนะคะว่า what time does the movie start What time does the movie start? นะคะ start นะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นนั่นเองค่ะ What time นะคะกี่โมงค่ะ What time does the movie start? ภาพยนตร์เริ่มกี่โมงค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะอาจจะคุยกันเรื่องอาหารได้นะคะเรื่องของการบันเทิงแล้วอาจจะคุยกันเรื่องชอบกินอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะถามนะคะเพื่อนว่า What your favorite food Was your favorite food ก็คืออาหารจานโปรดของคุณเนี่ยคืออะไรคะค่ะเราอยากจะทราบมาะค่ะว่าคุณอยากจะไปเช่าหนังไหมนะคะเช่านะคะเราจะใช้กริยา rent นะคะ rent r e n t นะคะแปลว่าเช่าค่ะซึ่งเราก็จะถามแบบนี้นะคะ Would you like to rent a movieWould you like to rent a movie แปลว่าคุณเนี่ยอยากจะไปเช่าหนังไหม การใช้คำถามนะคะอยากที่จะนะคะในภาษาอังกฤษเราจะขึ้นต้นด้วย Would you like นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูคำถาม Would you like อีกหนึ่งประโยคนะคะ Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? ก็คือคุณเนี่ยอยากจะไปทานอาหารข้ามกับฉันไหมคะ่ะค่ะการใช้บทสนทนาต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับ การช้อปปิ้งนั่นเองนะคะการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยเรามีประโยชน์ที่น่าสนใจที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะดังเช่นประโยชน์ที่ว่า Do you have the number for taxi? Do you have the number for a taxi? อันนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเลยค่ะว่าคุณเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของแท็กซี่ไหม เพราะว่าตัวเรานะคะต้องการที่จะนั่งรถแท็กซี่เพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ น, น, นั่นเองค่ะค่ะเวลาที่เราจะออกจากบ้านไปช็อปปิ้งนะคะเราอาจจะน้ำมันหมดนะคะแวะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนะคะเวลาที่เราพูดนะคะเราก็จะบอกว่าการุณาเติมน้ำมันนะคะเราก็จะใช้นะคะประโยคว่า fill it up please fill it up please นะคะก็คือการุณาเติมน้ำมันค่ะ ค่ะถ้าเราอยากจะทราบเรื่องของราคานะคะเราก็จะใช้คำถามว่า how much is that นะคะ how much is that หรือถ้าจะบอกแบบนี้ก็ได้นะคะ how much is this นะคะ how much is this คือ that กับ this เนี่ยมันต่างกันตรงที่สิ่งนั้นนะคะอยู่ใกล้ตัวเราจะใช้ that นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้นะคะมีอันเดียวอยู่ใกล้ตัวเราก็จะใช้ this นั่นเองค่ะค่ะ พูดเรื่องการไปช้อปปิ้งนะคะอย่างเช่นเราจำเป็นอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่นะคะเราอาจจะบอกนะคะกับเพื่อนเรานะคะว่า I need some new clothes I need some new clothes ก็คือฉันเนี่ยต้องการเสื้อผ้าใหม่คะ่ะก็เลยต้องไปช้อปปิง้งประโยคคำถามนะคะหรือบอกเล่าต่อมานะคะที่เราสามารถนำมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการช้อปปิง้งจับจ่ายซื้อสินคา้าได้อีกนะคะ I would like to buy a phone card please I カ、like、ะションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーショทに行ัときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーシะンに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、างションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、่ーションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、カ p ションに行くときは、カーションに行くときは、カーションに行くときは、ะะ like、o go s h o p p i n は、 I like to go shopping ก็คือฉันเนี่ยอยากไปช้อปปิ้งค่ะแต่ถ้าเกิดเราเบื่อแล้วนะคะอยากจะกลับบ้านนะคะเราก็เพียงแต่บอกว่า I would like to go home I would like to go home หรือย่อๆนะคะสั้นๆนก็คือ I'd like to go home นั่นเองค่ะฉันอยากจะกลับบ้านค่ะเวลาออกไปช้อปปิ้งนะคะอาจจะมีการทานอาหารกันแล้วเรารู้สึกอิ่มแล้วนะคะเราอาจจะบอกเพื่อนเราว่า I'm full I'm full นะคะก็คือฉันเนี่ยอิ่มแล้วตอนนี้ค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะถ้าเกิดเราต้องการจะซื้ออะไรต่างๆนะคะเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกชอบหรือว่าติดใจในสิ่งนั้นนะคะเช่นอาจจะอยากซื้อไอติมเพิ่มนะคะหลังจากที่ได้กินโค้ดนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่า if you like it นะคะ I can buy more นะคะ if you like it I can buy more นะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ย ฉันก็จะซื้อให้นะคะฉันก็จะซื้อเพิ่มให้แต่ถ้าเกิดจะให้เขาซื้อเพิ่มออกเองนะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก I เป็น You นั่นเองค่ะ If you like it นะคะ You can buy more นั่นเองค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะเราอาจจะออกไปช้อปปิ้งแล้วหิวนะคะก็เลยถามนะคะเพื่อนเรานะคะว่านนเนี่ยเราเพื่อนเราเนี่ยอยากจะกินอะไรหรือเปล่านะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า Would you like something to eat Virtualize something to eat ก็คือคุณนี่อยากจะกินอะไรไหมคะค่ะถ้าอยากจะทราบนะคะว่าร้านค้าเปิดกี่โมงเนะะี่ยค่ะ What time does the store open? What time does the store open? ก็คือร้านค้าเนี่ยเปิดกี่โมงคะ่ะค่ะใช้ประโยคคำถามนะคะถามว่าคุณนี่อยากจะซื้ออะไรนะคะเราอาจจะคุยกันถามเพื่อนนะคะ What do you want to buy? What do you want to buy? ค่ะคุณนี่อยากจะซื้ออะไร ถ้าอยากทราบขนาดนะคะก็ถามสั้นๆ น, นะคะ what size เนี่ยค่ะ what size ขนาดเท่าไหรค่ค่ะค่ะเวลาไปลองเสื้อผ้านะคะถ้าเราจะบอกให้เพื่อนเราเนี่ยลองสวมดูนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า try it on try it on ก็คือลองสวมดูคะ่ะค่ะคำศัพท์คำว่า try on นะคะแปลว่าลองคะ่ะที่นี้คือลองเสื้อผ้านะคะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวด์เวฟดอทอังกฤษอินไดอารีถุเตาซึ่นทูธสีดอทบล็อกสปอร์ตดอทคอมค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงเพอ้พอๆต่อสังสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการอิงลิสซ์เราอยู่ติดตามต่างกันให้ได้นะคะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงนี้นะคะเรานำบทสนทน า, านะคะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องครอบครัวนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะเวลาที่เราอยากจะทราบเรื่องของครอบครัวนะคะเราสามารถสร้างบทสนทน า, าได้ดังนี้นะคะ How many brothers and sisters do you have หนึ่งครั้งนะคะ How many brothers and sisters do you have นะคะตรงนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือคุณเนี่ยมีพี่น้องกี่คนค่ะ How many นะคะตามด้วยนามพผักหุภุดค่ะตรงนี้นะคะก็คือ brothers หมายถึงพี่ชายน้องชายนะคะกี่คนนะคะ and sisters นะคะก็คือหรือว่าและนะคะพี่สาวน้องสาวเนี่ยกี่คนนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยที่เป็น ประโยคนะคะลักษณะคำถามก็คือ do you have เองค่ะที่มีอยู่นะคะสรุปก็คือ how many brothers and sisters do you have แปลว่าคุณมีพี่น้องกี่คนคะ่ะค่ะแนวคำตอบนะคะที่ถามว่าคุณมีพี่น้องกี่คนนะคะเราก็ตอบเขาไปว่านะคะโดยใช้ I have นะคะว่าเรามีกี่คนนะคะ I have an older sister and two younger brothers นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ I have an older sister and two younger brothers นะคะในที่นี้นะคะบอกว่าฉันเนี่ยมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะก็คือมี and older sister นะคะและมี two younger brother ก็คือมีน้องชายอีกสองคนค่ะค่ะถ้าแก่กว่านะคะมีพี่น้องที่แก่กว่าเราก็ใช้ older นะคะ older อาจจะเป็น older brother นะคะ older sister ก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นอายุน้อยกว่าเราก็จะเป็นยังเกอร์นะคะอาจจะเป็นยังเกอร์ซิสเตอร์ก็ได้นะคะหรือเป็นยังเกอร์บราเดอร์ก็ได้ก็คืออายุน้อยกว่าเป็นน้องค่ะค่ะถ้าเราอยากจะทราบนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่านะคะหรือเลฟวิดอยู่กับพาร์เรนส์หรือเลฟวิดอยู่กับพาร์เรนส์นะคะคุณอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ไหมนะคะเลฟวิดนะคะอาจจะตามด้วยบุคคลนะคะเลฟวิดก็คืออาศัยอยู่กันกลับนั่นเองค่ะ เมื่อกี้คุณผูดหน้ชนะนะคะถามนะคะว่า do you live with your parents นะคะอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมนะคะเวลาตอบนะคะถามดูแล้วก็ตอบลงไทยด้วยดูนะคะ yes i do นะคะตอบ yes i do ก็คือใช่แล้วนะคะและเราอาจจะต้องถามกลับไปนะคะว่า what about you นะคะ what about you และคุณหละ่ะ how many people are there in your family how many people are there in your family แล้วครอบครัวของคุณล่ะมีกี่คน ประโยชน์ต่อมานะคะอาจจะเป็นการแนะนำไปเลยนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยมีกี่คนนะคะดังประโยคนี้ค่ะ There are six people in my family.There are six people in my family. แปลว่าครอบครัวผมเนี่ยมีหกคนค่ะ There are นะคะตามด้วยคำนามพระหุพศนะคะตรงนี้ก็คือ six people นะคะคือมีหกคนค่ะ There are six people in my family. แล้วเราก็แนะนำต่อนะคะว่ามีใครบ้างนะคะก็จะเป็น my dad นะคะ my dad ก็คือมีคุณพ่อนะคะ my mum my mum มีคุณแม่นะคะ my older brother อันนี้ก็คือมีพี่ชายนะคะส่วนถ้าเรามีน้องสาวนะคะเราก็จะบอกว่า my younger sister เหมือนที่คุณชนกนาฏว่าไว้นะคะและเราอาจจะตามด้วยนี้ก็ได้นะคะ my twin นะคะ my twin and I นะคะก็คือ เป็นคู่แฝดของผมแล้วก็ตัวผมนั่นเองค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะจะเป็นการถามนะคะถึงว่าสมาชิกในครอบครัวนะคะของคุณเนี่ยสบายดีไหมนะคะการถามว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณเนี่ยสบายดีไหมนะคะเราจะใช้ประโยคง่ายๆว่า how are your family members how are your family members นะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวของคุณเนี่ยสบายดีไหมคะ่ะ ถามลักษณะคำถามเมื่อกี้นะคะเราก็อาจจะมีแนวทางการตอบค่ะดังนี้ค่ะ My parents have got a cold นะคะ My parents have got a cold นะคะตรงนี้ก็คือบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นหวัดนะคะ Have got นะคะก็คือเป็นการใช้นะคะในการบอกอาการนะคะ Have got a cold ก็คือมีอาการป่วยเป็นหวัดค่ะ Bad นะคะใช่ในการขัดแย้งนะคะ Bad The others are fine นะคะ The others are fine ก็คือสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยเขาสบายดีนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราได้ยินดังนั้นนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นวัตรนะคะเราก็อาจจะมีการนะคะอะวยพร น, นะคะเพื่อนคือขอให้คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยดีขึ้นนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า Hope your parents gets well soon Hope your parents เกจแวลซูน、well、ก็คือขอให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยอาการดีขึ้นภายในเร็ววันค่ะเมื่อเพื่อนโอภพรอนเสร็จแล้วค่ะแน่นอนค่ะตามธรรมเนียมเราก็จะต้องบอกขอบคุณนะคะก็คือ thank you thank you เองค่ะ เรื่องที่เรานำมาฝากทด่านผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องกีฬาค่ะเป็นการทอล์คกิ้ง about sport นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเวลาเราคุยกันเรื่องกีฬาเนี่ยเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษว่ายอย่างไรบ้างค่ะประโยคแรกนะคะจะเป็นประโยคคำถามนะคะถามเรื่องว่าคุณเนี่ยชอบกีฬาประเภทใดมากที่สุดนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า what sport do you like most What sport do you like most? นะคะก็คือคุณเนี่ยชอบกีฬาประเภทใดมากที่สุดค่ะค่ะเวลาตอบนะคะถ้าเกิดเราชอบฟุตบอลนะคะมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆนะคะเราก็จะบอกว่า I like football best of all. I like football best of all นะคะ best of all ก็คือเป็นแบบที่สุดแล้วนั่นเองนะคะมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆนะคะและถ้าเกิดว่าเราเล่นกีฬานั้นนี้ได้นะคะเราก็จะแถมท้ายด้วยว่า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 But you to myself skiing. ski? like know Do how はい。 ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการพุ่งด้วยเหตุผลที่ว่า yes นะคะก็คือรู้จักนะคะแล้วเราก็บอกว่าตัวฉันเนี่ยตัวเราเนี่ยไปบ่อยนะคะไปบ่อยกับครอบครัวเลยล่ะ I go with my family go with นะคะคือไปด้วยกันกับนะคะแต่ประโยค น, นี้นะคะมีการใช้ความถี่นะคะ often เข้ามาขายาย go เองคะ่ะ I often go with my family ก็คือไปเล่น กับครอบครัวได้วยกันบ่อยๆนัอยบ่อยดานเองค่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดเราอยากจะโฆษณาโม่โ อ, อวดเพื่อนไปอีกนะคะเราก็จะอาจจะบอกไปว่า there is a big mountain near my village นะคะ there is a big mountain near my village ก็คือใกล้หมู่บ้านของผมเนี่ยมีภูเขาอยู่มีภูเขาใหญ่อยู่ลูกหนึ่งนะ It、no、in the winter ski、no、lot the ะะาาวว Lots there to snows ะะ of a people なに ค่ะประโยคต่อมานะคะเราอาจจะคุยกับเพื่อนเมื่อกี้นี้แล้วค่ะแล้วเร า, อาจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ไปเล่นด้วยกันสักวันหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะตอบไปว่า I hope we could go together sometimeI hope we could go together sometime ก็คือหวังว่าสักวันเนี่ยเราจะได้ไปเล่นด้วยกันนะค่ะตอบรับได้ว่า Oh that will be wonderful นะคะ Oh that will be wonderful ก็คือ Oh คงเยี่ยมไปเลยนะ ค่ะนะสำหรับประโยคสนทนาที่น่าสนใจที่พวกเราสองคนนำมาฝากในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก worldwideenglishindiary2014.blogspot.com ค่ะ ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการเอิงลิสอาราลยูได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึง่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีออกอากาศด้วยระบบเอฟเอ็มควอนตีแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต